อันนี้ก็มีชาวต่างประเทศเพราะชาวมาเลเซียสิงคโปร์เขารู้จักที่นี่มากขึน mm hmm. มาดูผ่านทางย mm ูท hmm. uh ูบนะฟังงเทศเป็นภาษาอังกฤษ d a m a in English ช่องยูทู e อันนี้ฝนฟ้าไม่ปกติช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนของภาคตะวันออกน่าจะอยู่ช่วงปลายกันยาตุลาต ก, ต ก, ตกทุกวันเลยตกเล็กๆตกบ้างตกมากตกน้อยตกหลายรอบ ถ้ามาเจอช่วงที่เรามาประชุมกันฝนตกก็เลยต้องนั่งสมาธิกันไปก่อนเพราะเสียงมันดังพูดเราฟังไม่ค่อยได้ยินการฟังธรรมกับการแสดงธรรมนีก็ต้องอาศัยสถานที่สงบถ้ามีเสียงอุกทึกเครืงคมมันก็รบกวน ทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังก็ฟังทมแสดงทมก็ต้องมีใจที่สงบถ้าใจไม่สงบแล้วมันสับสนแสดงด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้การที่จะเห็นเหตุผลรู้เหตุผล ต้องมีใจที่สงบถ้าใจไม่สงบมันจะไม่มองไม่เห็นเหตุมองไม่เห็นผลพอเสียงเข้ามามันก็ดึงใจไปจากเรื่องที่กำลังจะพูดเสียงมามันก็ดึงก็ดึงออกไป เดี๋ยวเดินคนเดินเข้ามาอีกคนงทีต้องปิดตาหลับตาตอนนั้นไม่รับรู้ไม่เห็นเห็นแล้วใจมันไปนละ้มันนรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เลยไม่ได้อยู่กับเรื่องที่กำลังกำลังพูดอยู่ การฟังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดอนิสงส์เกิดผลก็ลจำเป็นจะต้องฟังในที่ที่สงบถึงจะได้ผลเต็มร้อยผลที่เกิดจากการฟังธรรมก็มีอยู่ห้าประการด้วยกัน คจะได้ยินได้ฟังทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับ3จะกําจัดความลังเลยสงสัยต่างๆความขัดข้องใจสิ่งที่ขัดข้องใจต่างๆให้หมดไปได้ สีจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องห้าจะทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขถ้าจะฟังให้ได้ผลต้องนั่งเฉยๆกายวาจาใจต้องสงบนอกจากสถานที่ต้องสงบแล้ว กายวาจาใจของผู้ฟังก็ต้องสงบกายก็คือร่างกายไม่เคลื่อนไหวนั่งเฉยเฉยไม่ทำอะไรวาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยู่กับเสียงธรรม คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่กำลังฟังอยู่ถ้ามีกายวาจาใจที่สงบฟังแล้วก็จะได้ผลดีกายวาจาที่สงบ ก, ก็เรียกว่าศีลแตตอนนี้ผู้ฟังนั่งเฉยๆนี่ถือว่ามีศีนลนะนั่งกายไม่ได้ทำบาป ไม่ได้ข่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประผิดประเวณีไม่ได้พูดปลด่อวาจาก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ดื่มสุรายาหมองมีกายวาจาที่สงบเรียกว่าศีลใจถ้าไม่ไปคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้มีความตั้งใจที่จะฟัง ก็เรียกว่ามีสมาธิใจตั้งมั่นคำว่าสมาธิก็คือใจที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบไม่คิดปรุงแต่งถ้าถ้าฟังทมด้วยศีลด้วยสมาธิผลก็คือปัญญาก็จะเกิด ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงผลของบุญคือสวร ร, รคร์มีจริงผลของบาปคือนรกอบายมีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วไปเกิดใหม่ถ้าได้ปฏิบัติ ได้ชำระได้กําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจใจก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ใจก็ไปสู่นิพพานนี่คือสัมมาทิฏฐิอานเห็นที่ถูกต้องโดยปกติแล้วถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมจะไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องผลของบุญผลของบาปไม่รู้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อต้องไปเวียนไห้ตายเกิดต่อถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจถ้าถ้าชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ ตาไปก็ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปนี่คือความเห็นที่ถูกต้องที่จะได้จากการฟังเทศฟังธรรมก็ เ, เวลาแสดงธรรมก็จะแสดงเรื่องราวเหล่านี้เรื่องบุญเรื่องบาปอธิบายว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงผลของบุญเป็นยังไงผลของบาปเป็นยังไง ใครเป็นผู้รับผลของบุญผลของบาปใครไปไปเกิดใหม่นี่คือเรื่องของธรรมธรรมจะแสดงเรื่องของบุญของบาปเรื่องของผู้ไปรับผลบุญผลบาปเรื่องของผู้ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่เรื่องของผู้ไปที่นิพพาน ถ้าไม่ได้ฟังทมจะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ความรู้ในโลกที่เราเรียนกันตามมาหาวิทยาลัยต่างๆจะไม่ได้สอนความรู้เหล่านี้เพราะไม่มีใครรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับพระพุทธเจ้าธรรมที่เราฟังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ทรงตัดสรุสิ่งที่พระองค์ได้งตัดสรุปก็คือใจไลยรู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจนี้เป็นผู้ใช้ร่างกายให้ทำบุญทำบา ให้ร่างกายให้ไปทำตามกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆแล้วพอร่างกายนี้ตายไปใจนี่แหละเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปใจนี้แหละที่ไปเกิดใหม่ถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้จักใจของพวกเราเราก็จะ คิดว่าใจเป็นร่างกายร่างกายตายไปก็จบเพราะเมื่อร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปใครจะไปเกิดใหม่ได้ร่างกายก็ตายไปก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเอาไปเผาก็เหลือแต่ดินคือขี้เถ้า กับเศษกระดูกถ้าไม่ได้มีพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องใจพวกเราก็จะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือถ้าไม่เชื่อก็สงสัยถ้าฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว จะหายสงสัยว่าบุญคือการกระทาโดยมีใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำผู้กระทำจริงๆคือใจผู้สั่งผู้สั่งให้ร่างกายทำเนี่ยคือใจร่างกายนี้เป็นเหมือนตกตาเป็นเหมือนหุ่น ถ้าไม่มีใจสั่งให้ขยับขยื้อนให้ไปทําอะไรมันทําไม่ได้ดังนร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่ทําบุญหรือทำตัวที่ทําบาปเป็นเพียงแต่เครื่องมือของใจที่สั่งให้ไปทําบุญหรือสั่งให้ไปทําบาปดังนร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปใจนี่แหละเป็นผู้รับผลบุญผลบาป เวลาทำบุญใครรับผลบุญใจนี่แหละทันทีเลยทำบุญแล้วใจมีความสุขเวลาเราทาบุญนี้เรามีความสุขความสุขเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนส่วนไหนของร่างกายอยู่ที่ศีรษะอยู่ที่ท้องอยู่ที่แขนอยู่ที่ขาไม่มีร่างกายไม่ได้รับความร่างกายไม่ได้รับผลบุญจาก การกระทาบุญผู้ที่ได้รับผลบุญคือใจนี่แหละทำแล้วมีความสุขใจแต่จับไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนความสุขใจนี่อยู่ตรงไหนความทุกข์ใจอยู่ตรงไหนเคยเคยเคยเคยจับมันได้ไหมเคยแตะต้องมันได้ไหมเหมือนไม่เหมือนกับเวลาเจ็บทางร่างกายปวดแขนปวดขาเนี่ย มันจับได้มันรู้ได้อ๋อ o, มันปวดฟันี่มันก็รู้ว่ามันมันทุกข์ที่ฟันปวดแขนมันก็รู้ว่าปวดที่แขนแต่ทุกข์ใจมันอยู่ตรงไหนใจมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนส่วนไหนของร่างกายมันหาไม่เจอในร่างกายเพราะใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่ที่ของมัน เราจะเรียกมันที่นี้ว่าโรคทิพย์ก็ได้เนี่ยแหละคือใจที่อยู่ของใจมันจะทําให้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีใจเรามีอีกส่วนหนึ่งนอกจากร่างกายแล้วเรามีใจถ้าเราไม่คิดเราไม่วิเคราะห์เราก็จะไปคิดว่าใจมันอยู่ในร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอทีเขาก็ว่าอยู่ที่สมอง เวลาทุกข์ใจมันทุกข์ที่สมองหรือเปล่าเวลาสุขใจมันสุขที่สมองหรืเปล่าเนี่ยเวลาเราสุขเวลาเราทุกข์เนี่ยมันหาที่สุขที่ทุกข์ไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้มันอยู่ในโลกที่อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่อีมิติหนึ่ง ภาษาอังกฤษก็เลย dimension. อีกด้านแง่หนึ่งฝรังก็จะพูด the fifth dimension บ้ง the sixth dimension บ้งก็ อ, อ, อีกมิตินึงมิติที่ไม่อยู่ในโลกโลกนี้เราเรียกว่าโลกสามมิติใช่หไหมโลกที่มีความสูงความกว้างความลึกเวลาเราถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ก็มีถ่ายภาพสามมิติ ภาพที่ถ่ายตามกล้องนี้มันเป็นสองมิตินะไม่เห็นส่วนลึกเห็นแต่ส่วนกว้างกับส่วนสูงแต่สมัยนี้เขาสามารถผลิตกล้องที่สามารถถ่ายทำให้เห็นความลึกได้เป็นกล้องสามมิติภาพประยนต์สามมิติภาพเสมือนจริง Virtual Reality ีเนี่ยแต่มิติที่สี่นี้ไม่มีใครสามารถเอาออกมาสแสดงได้มิติที่สี่นี้คือใจเวลาทุกใจเวลาสุขใจนี้ไม่รู้จะเอามาสแสดงไว้ตรงไหนดีสแสดงไว้ตรงสมองสแสดงไว้ที่หัวใจหัวใจมันก็เต้นตุบตับ ต, ตุบ ต, ตับตุบตับ ถ้าเกิดมันเป็นนอกหัวใจเนี่ยมาถึงปไปเจ็บที่หัวใจแต่มันไม่ได้เป็นเพราะความทุกข์ใจคนละเรื่องกันคําว่าใจนี่มีสองอย่างใจที่เราพูดถึงนี่หมายถึงใจนอกใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่ใช่ใจที่ปั๊มฉีด เ, เลือดในร่างกายอันนี้เป็นหัวใจหัวใจ แต่นี่เรียกว่าใจผู้รู้ผู้คิดผู้สุขผู้ทุกข์นี่แหละคือใจเวลาทำความดีนี้มันสุขทำบุญเรียกว่าทำความดีวิธีขยายความคำว่าบุญนึกความดีก็คือการทาประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเวลาเราทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่น เราเาจะเรียกว่าทำความดีทางาภาษาพระก็เรียกว่าทำบุญทำแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาใจเป็นผู้รับผลบุญทันทีแล้วความสุขใจนี้แหละที่เรียกว่าสวรรค์เพียงแต่ว่าเราเรียกตอนที่ไม่มีร่างกายตอนที่ร่างกายตายไปถ้าใจมีบุญ ใจก็จะอยู่กับความสุขใจความสุขใจนี้ก็เรียกว่าสวรรค์เวลาที่ไม่มีร่างกายเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับแล้วฝันไปเวลาฝันนี้เราไม่ได้ใช้ร่างกายเหมือนกับไม่มีร่างกายเวลาฝันดีนี่นก็เหมือนกับไปสวรรค์อยู่ในสวรรค์คือใจจะฝัน ถ้ามีบุญบุญจะผลิตความฝันที่ดีทำให้มีความสุขในทางตรงกันข้ามบาปก็คือการทำความทุกข์ความเสียหายให้แก่ผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าบาปพอทำแล้วใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีใจก็ร้อนใจก็ไม่สบายใจไม่สุข วิตกกังวลทําแล้วกลัวจะต้องไปรับโทษทั้งโทษในโลกนี้แล้วโทษในโลกหน้าแต่โทษในโลกหน้าคือโทษในโลกที่มันเกิดขึ้นทันทีอ๋อทําแล้วออลมันไม่สบายใจสาเหตุจากการที่กลัวจะต้องไปรับโทษในโลกนี้ไปขโมยเงินไปป้นไปทําอะไรนี่ไม่สบายแล้วใจไม่สบาย กลัวจะถูกจับได้จับแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกลงโทษชดใช้ค่าเสียหายอะไรต่างๆนี่แหละคือเรื่องของใจเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์อยู่ที่ใจตัวนี้ตัวเดียว ถ้าไม่มีใจแล้วก็จะไม่ไม่มีอะไรก็มีแต่ต้นไม้ต้นไม้นี้ก็เป็นเหมือนร่างกาย ต, ต้นไม้ก็มีดินน้าลมไฟทำให้เกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาได้แต่ต้นไม้จะไม่ไปทาบุญทาบาปกับใครแต่ใจนี้ถ้ามีใจต้นไม้ก็จะกลายเป็นร่างกายไป ร่างกายนี้ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟเ ห, หมือนกับต้นไม้แล้วใจก็ใช้ร่างกายนี้ไปทำบุญทำบาตหรือทำกลางๆไม่บุญไม่บาตเนี่ยวันวันหนึ่งเราจะมีการกระทำอยู่สามรูปแบบแล้วแต่เหตุการณ์ส่วนใหญ่เราจะทำแบบกลางๆไม่บุญไม่บาต คือไม่เป็นคุญไม่เป็นโทษกับใครเช่นการดูแลเลี้ยงดูร่างกายเราเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่เกี่ยวกับใครอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารไปทำงานหาเงินหาทองมาซื้อปัจจัยสี่นี่เป็นการกระทำที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปใจก็เลยไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์ผลของการไม่ได้ทำบุญก็เลยไม่มีความสุข ผลของการไม่ได้ทําบาปก็ไม่มีความทุกข์ใจอันนี้คือกรรมชนิดที่สามที่เราทํากันเป็นส่วนใหญ่แต่บางทีก็มีเหตุการณ์ทําให้เราได้ทําบุญบ้างได้ทําบาบ้างบางทีมีคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยเขาไปเราก็ได้ทําบุญและในวันนั้นได้ทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้ บางวันมีคนมาพูดมาทำอะไรไม่ดีเราก็เลยด่าเข้าไปแล้วทำร้ายร่างกายเขาเราก็เลยได้ทำบาปนี่คือเรื่องของบุญของบาปเรื่องของสุขใจทุกข์ใจที่เราเรียกกันว่าสวรรค์หรือนรกหรือว่าบาย อบายก็คือที่ที่ใจมีความทุกข์ใจไปอยู่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วอบังทีก็ไปได้ร่างกายอันใหม่แต่เป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็เรียกว่าไปอบายแล้วถึงแม้ว่าสัตว์เดรัจฉานจะอยู่โลกเดียวกับมนุษย์แต่ใจนี้ไม่ได้มีความสุขเหมือนกับมนุษย์ใจของสัตว์เดรัจฉานนี่มีความ ทุกมีความกังวลมากกว่ามนุษย์เพราะจะต้องระวังภัยรอบด้านสัตว์เขานี้จะฆ่ากันเองเป็นอาหารแต่มนุษย์เหล่านี้จะไม่ฆ่ากันเองเป็นอาหารนอกจากมนุษย์บางคนที่ใจเป็นเดรัจฉานหากินโดยที่ไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ได้ก็เลยหากินแบบทำร้ายผู้อื่น อันนี้คือเรื่องของใจเรื่องของบุญของบาปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์แล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ใจทุกขนอกจากบาปแล้วยังมีความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ใจทุกทําให้ใจเป็นนรกหรือเป็นอบายขึ้นมา เวลาเกิดความอยากนี้ใจจะหงุดหงิดลำคาญใจไม่สบายไม่เป็นปกติอยากจะสูบบุหรี่อยากจะดื่มกาแฟอยากจะดื่มสุราอยากจะกินขนมอยากจะทำอะไรเวลาไม่ได้ทำนี้ใจมันจะหงุดหงิดเหมันคนติดยาเสพติดจะหายก็ต่อเมื่อได้ทำตามความอยาก ก็เลยทําให้ไปคิดว่าการมีความอยากการได้ทําตามความอยากจะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาพอเวลาทําแล้วความหงดหงิดมัญหาายไปความสุขหรือความปกติของใจกลับมาก็เลยคิดว่าเป็นความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากแต่ความจริงไม่มองตอนก่อนเกิดความอยาก อย่างตอนนี้เราไม่มีความอยากเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์นะแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาใจเราเริ่มทุกข์แล้วแล้วพอเราได้ไปทำตามความอยากความทุกข์นั้นก็หายไปก็เลยทำให้เราคิดว่าเราได้รับความสุขจากการทำความอยากเราก็เลยต้องทำตามความอยากกันอยู่เรื่อย แล้วความอยากนี้มันจะไม่มีวันหมดไปตราบใดที่เราไม่ฝืนมันไม่ทำตามมันถ้าตราบใดเรายังทำตามมันอยู่เรื่อยๆมันก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรง ต, ตรัสว่าทะเลมหาสมุทรนี้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งมีประมาณ แต่ความอยากนี่ไม่มีขอบไม่มีฝั่งไม่มีประมาณไม่มีวันหมดมีแต่จะมากขึ้นไปเรื่อยๆได้เคลื่ก็จะเอาสอกได้สอกก็จะเอาว่าตอนต้นก็สูบบุหรี่วันละมวลสองมวลเดี๋ยวก็เพิ่มเป็นสี่ห้ามวลเล้๋ยวก็เพิ่มเป็นครึ่งซองแล้วก็ซองหนึ่งสู่ไป น, นานๆเผือเข้าวันละสามซอง S <S> พอมันพอสูกแล้วมันต้องสูบมากขึ้นมันถึงจะหายหงุดเหีิดเมื่อก่อนสูบมวนเดียวหายหงุดหงิด ต, ต่อไปสูบมวนเดียวหายเดี๋ยวเดียวไม่พอต้องสูกเพิ่มดื่มชูราดื่มกาแฟก็เหมือนกันทําอะไรก็เหมือนกันตอนต้องก็รทำครั้งเดียวต่อไปก็ต้องทําเพิ่มเพราะมันไม่ตอบสนองเหมือนกับ ครั้งแรกๆครั้งแรกๆทำหมึ่งเดียวดื่มแก้วเดียวก็สบายหายทุกข์ครั้งต่อมาดื่มแก้วเดียวไม่หายไม่พอความอยากยังไม่หายต้องเอาสองแก้วนี่นคือธรรมชาติของความอยากแต่ถ้าเราเคยลองฝืนมันดู เราจะเห็นว่าความอยากนี่มันจะอ่อนลงคราวนี้อยากแล้วเราฝืนมันไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวคราวหน้าความอยากโผล่ขึ้นมามันจะอ่อนลงแล้วถ้าฝืนได้อีกมันก็จะอ่อนลงไปอีกแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะปวดกําลังอันนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครรู้กันในโลกนี้ไม่รู้ว่าความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์กัน เรไม่รู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการเสริมความอยากให้มีพลังมากขึ้นกลับไปคิดว่าเป็นการดับความทุกข์กันดับความทุกข์ด้วยการทำตามความอยากกันแต่ความอยากกลับเพิ่มขึ้นตอนต้นดับด้วยบุหรีม่มวนเดียวก็ดับได้ต่อมามวนเดียวเอาไม่อยู่แล้วต้องสองมวนเหมือนพวกคนที่ติด ย่าแก้ปวดนี่ก็เหมือนกันตอนต้นกินเม็ดเดียวก็หายปวดต่อมากินเม็ดเดียวไม่หายแล้วที่มันปวดมันไม่ใช่ปวดทางร่างกายมันปวดทางใจความปวดทางร่างกายมันเท่าเดิมแต่ความปวดทางใจนี่มันกลับรุนแรงขึ้นพออยากให้ความปวดทางร่างกายหายไปพอกินเม็ดหนึ่งไม่หายก็ต้องสองเม็ดพอสองเม็ด ก็เลยทำให้ความอยากให้ความปวดทางร่างกายระ ง, งับไปความปวดทางใจก็หายไปก็เลยคิดว่ายาแก้ปวดนี้มาช่วยระ ง, งับความปวดทางร่างกายแต่ความจริงมันระ ง, งับความปวดทางใจระ ง, งับความอยากแต่เป็นการระ ง, งับแบบชั่วคราวเดี๋ยวคราวต่อไปความอยากก็จะมีกำลังมากขึ้นต่อไปสองเม็ดก็ไม่พอ องสามเนี่ยนี่คือตัวที่มาทําให้ใจเรานี่เป็นปัญหากันทุกวันนี้ก็คือตัวความอยากนี่แล้วก็เป็นตัวที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่กับใจแล้วเป็นตัวที่มงการให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่หลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้ว ที่พวกเรากลับมาเกิดใหม่กันอยู่เรื่อยๆนี่ก็เพราะความอยากนี่อยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทำตามความอยากแล้วก็ความอยากนี่แหละที่ทำให้เราต้องใช้ร่างกายไปทำบาป ก, กันหรือทำบุญกันแล้วแต่เหตุส่วนใหญ่ความอยากจะพาให้เราไปทาบาป ก, กัน เราอยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถได้มาอย่างไม่ไม่ทำบาปเราก็เล่าเอาแบบทําบาปเพราะทําบาปมันง่ายกว่าได้มันง่ายกว่าโกหกหลอกลวงนี่มันง่ายกว่าพูดตรงไปตรงมาพูดตรงไปตรงมาคนไม่คนก็จะไม่เชื่อเราหรือว่าอไม่ไม่ให้เราแต่ถ้าพูดโกหกเขาก็จะให้เรา ถ้าไปยืมเงินเขาบอกผมยืมนะผมไม่คืนเงินเนี่ยเขาเขาจะให้หรือเปล่าแต่ถ้าไปยืมนะรับปากว่าเดี๋ยวอีกสองวันผมจะมาให้เงินผมติดอยู่ในธนาคารกําลังจะครบดอกแล้วเดี๋ยวก็เบิกได้เเออพูดอย่างนี้นี่ก็โกหกเลยก็ได้เงินยืมเข้ามาแต่ถ้าพูดไปพูดตรงไปตรงมาว่าผมไม่มีเงินที่จะคืนคนหรอก เขาก็ไม่ให้เราใช่ไหมเนี่ยก็เลยต้องทำทำบาปกันถ้าโกหกไม่ได้ก็ต้องขโมยอะไรต้องหาวิธีหาช่องมีช่องไหนที่ขโมยเงินได้อย่างนี้เล่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตกันนี่เล่นแฮกกันหาวิธีหาหาพาสเวิร์ดกันถ้าไปรู้จักพาสเวิร์ดของ ATM ใครก็สบายกดแหลกเลย เบิกได้สบายเนื้อสมัาลีเห็นไหมเขาสั่งซื้อของโดยเอาเอาบัญชีของคนอื่นแฮกของคนอื่นมาแล้วก็สั่งซื้อของเอาข้าว ข, ของมานี่ก็เป็นวิธีการทํำบาปเพราะเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปนู่นมานี่อยากทํานูน่ทนทํานี่แต่ไม่มีปัญญาที่จะทําได้ด้วยวิธีสุดจริญ อะไรยต้องไปทำบาปเนี่ยความอยากนี่มันก็เลยเป็นตัวที่นอกจากทำให้เรามาเกิดแล้วมันมักจะมาทำให้เราทำบาปด้วยแต่บางคนก็โชคดีมีความสามารถอยากได้อะไรก็สามารถหามาได้โดยวิธีสุดเจริญอันนี้เขาก็รอดตัวไป้วเมื่อเขาได้มาม า, มากๆเขาก็อาจจะมีใจเมตตา เขาก็อาจจะเอาเงินที่เขาได้มามากนี้ไปทําบุญต่ออย่างพวกบริษัทที่รวยๆกันนี่เขาก็มี PR อาร์กันทาบุญสักหน่อยเอาหน้าสักหน่อยเอาชื่อเอาเสียงสักหน่อยหรือแม้ว่าจะไม่คิดจะเอาบุญก็มันก็ได้บุญเหมือนกันเองแต่ว่ามันมันไม่ได้เต็มร้อยคือมันไม่ได้ความสุขใจเหมือนกับทําแบบไม่มี PR อ ทำแบบปิดทองหลังพระทำแบบปิดทองหลังพระนี้มันสุขใจกว่าทำต่อต่อหน้าพระทำโดยที่มีสื่อมาถ่ายทำข่าว เ, าเพื่อจะได้เป็นการโฆษณาบริษัทให้บริษัทนี้เป็นบริษัทที่คนเห็นแล้วอยากจะร่วมทำการค้าด้วย ก็ไม่เป็นไรก็ยังดียังดีกว่าไม่ทำเขาคิดว่าทำได้สองสองสองแดงได้นหน้าด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยแต่ความจริงแล้วบุญมันน้อยลงไปโดยที่เขาไม่รู้มันต้องแบ่งกับแบ่งไปให้ที่หน้าครึ่งหนึ่งบุญก็เหลือครึ่งเดียวมุญพวกที่ทำบุญแล้วขอขอบัตร อ, อนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษีอันนี้ก็ลดบุญโดยไม่รู้สึกตัว ทำอยู่ร้อยหนึง่งแล้วก็ไปขอลดสิบเปอร์ซเอากลับมาเอาคืนมาสิบบาทก็เลยได้ทำแค่เก้าสิบบาทแทนที่จะได้ทำร้อยหนึง่งก็ได้ทำแค่เก้าสิบบาทเพราะไปขอคืนมาสิบบาท <c oughs> นี่คือทำบุญแล้วยังยังโลภอยู่ทำบุญยังยังโลภ บ, บุญอยู่ยังโลภเงินอยู่ยังเสียดายเงินอยู่ก็เลยได้ไม่เต็มร้อย ถ้าทำเต็มน้อยก็ทำไปเลยแล้วก็ไม่ต้องประกาศชื่อไม่ต้องเขียนชื่อใส่ซองบอกว่าเป็นของใครอะไรทำไปเพื่อเราต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพอเราก็รู้ว่าเงินนี้เราก็มีไว้ก็ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์กับเราเราก็เชื่อว่าทำแล้วทำให้เรามีความสุขใจเพราะเราเคยทำบุญแล้วรู้สึกว่ามีความสุขใจ แต่เราก็ไม่รู้ว่าตายไปเราจะไปสวรรค์เรืออะไรถ้าไม่มีใครมาที่บายเราฟังว่าความหมายของสวรรค์นี่คืออะไรความหมายของสวรรค์ก็คือความสุขใจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แหละพอไม่มีร่างกายความสุขใจนี้มันก็จะเรียกว่าสวรรค์ใจก็จะอยู่ในสวรรค์อยู่ในความสุขสวรรค์ก็คือความสุขสวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่ใจใครใจมันสวรรค์ใครสวรรค์มัน ใจนี่เป็นสวรรค์ของตนเองเป็นนรกของตนเองเนี่ยนี่คือการพิสูจน์ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงเพราะเราสามารถพิสูจน์ได้ตั้งแต่เรายังไม่ตายเราทําบุญนี้เรามีความสุขใจนะเราได้ขึ้นสวรรค์แล้วใจเราเป็นสวรรค์แล้วเราทําบาปนี่ใจเราทุกข์แล้วใจเราร้อนใจเป็นอบายเป็นนรกแล้ว ความทุกข์ในอวาบาลมันมีอยู่สี่ลักษณะทุกข์เพราะความหลงทุกข์เพราะความไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาถึงทําให้ตัวเองทุกข์นี่ก็คือทุกข์แบบเดรลชานเดรลชานเขาไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องต้องมาทุกข์ต้องมาเป็นเดรลชานก็เพราะว่าเขาไปทําบาปมาจึงทําให้เขาต้องมาอยู่แบบพวกที่ทําบาปด้วยกันแหมแบบพวกที่ติดคุกทําไมต้องไปอยู่ที่เดียวกันก็เพราะว่ามันทํา ทำบาปเหมือนกันปล่อยให้มาอยู่กับคนที่ไม่ทําบาปไม่ได้กฎแห่งกรรมนั้นก็แยกใจได้แบบนี้เหมือนกันใจที่ไม่ไปทําความเดือดร้อนก็เป็นใจอีกแบบหนึ่งใจที่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งทุกข์พรทุกข์เพราะไม่รู้ว่าทุกข์พราะอะไรไม่รู้ไปทําอะไรมาถึงทุกข์เนี่ยพวกเดรัจฉานก็ไม่รู้แล้วพว ก, กทุกข์เพราะความโลภเนี่ยเขาเรียกว่าเป่ต ได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะได้อยู่้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆพอไม่ได้ก็ทุกข์เรียกว่าเปรตแต่ต้องต้องต้องเป็นด้วยการทำบาปการไปเอาสิ่งที่อยากได้มาด้วยการโลภด้วยการทำบาปถ้าโลภด้วยไม่การทำบาปนี้ยังไม่เป็นยังไม่เป็นเปรตยังเป็นมนุษย์อยู่ฉะ่นเราโลภเราอยากได้เงินแต่เราไปทำงานไปหาเงินหาทอง โดยไม่วิธีไม่ทําบาปนี่ยเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่ได้เป็นเปรตแต่ถ้าเราไปโลภแล้วไปทําบาปไปขโมยเงินของคนอื่นไปช่อโกงเราเป็นเปรตไปละนี่เรียกว่าอบายมีสี่มีสองแล้วทุกข์เพราะความหลงไม่รู้ว่าทุกข์เกิดได้จากไม่รู้ว่าเกิดจากการทําบาปของตนทุกข์ที่เกิดจากความโลภ แล้วทุกข์ที่เกิดจากความกลัวกลัวบางคนนี่ขี้กลัวไปหมดหวาดกลัวนู่นหวาดกลัวนี่มีวิธีกําจัดสิ่งที่มาทําให้หวาดกลัวได้ก็จะทำถึงเมื่อจะผิดศีลเนี่ยกลัวมดกลัวแมลงก็หายาฆ่ามดฆ่าแมลงมาฉีกเลยกลัวแมงสาบกลัวอะไรกลัวยุงกลัวงูเจองูก็ตีเลยกลัวขโมยก็เหมือนกัน ตก้องติดอะไรเต็มไปหมดแล้วขโมยมามีเปิืนก็ยิงมันเลยอันนี้ก็ถ้าถ้ากลัวแล้วไปทําบาปเพราะความกลัวก็จะเป็นอสุรกายแล้วถ้ากลัวแล้วก็ถ้าถ้าทุกข์เพราะความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทอันนี้เรียกว่านรกใจเวลาเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนี่มันกินไม่ได้นอนไม่หลับ มั น, นมันต้องไปฆ่าเขาก่อนมันต้องไปทำร้ายเขาก่อนแก้แค้นแล้วมันถึงจะหายหายแค้นหายโกรธใจนี้ก็เรียกว่านารกนรกอมา ย, ยังมีอยู่สี่ชนิดชนิดแรกเรียกว่าเดลชานชนิดที่สองเรียกว่าเปรตชนิดที่สามเรียกว่าอสุรกายชนิดที่สี่เรียกว่านารก ก็มีเหตุที่ให้ไปทำบาปเหมือนกันเลราฉาน <c oughs> เขาทำบาปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นบาปหรือมนุษย์ที่มีอาชีพฆ่าสัตว์ก็เหมือนกันเขาก็ไม่คิดว่าบาปเขาคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพของเขาแต่เวลาใกล้าตาย น, นี้เขาักเจะฝันลายฝันเห็นแต่สิ่งที่เขาฆ่ามาฆ่าเขามันกลับกันมันกลับตาลปาดกัน เวลาเราฝันเวลาเราไปรับผลบาปมันจะเป็นอย่างนั้น น, นี่คือเรื่องของนรกเรื่องของอบายกิดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดป ด, ดโกหกหลอกลวงดื่มชุลายาเมาความจริงดื่มชุลายาเมาอย่างเดียวยังไม่เป็นบาปแต่มันจะทําให้ไม่มีสติที่จะใบยับยัง้งการกระทําบาปได้ ถ้าดื่มสุราแล้วนอนนี้ก็ไม่มียังไม่ได้ทำบาปแต่ก็ทำให้เสียเวลาไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ดีไม่ดีก็ตกงานเพรดื่มแล้วเดี๋ยวมันก็จะติดจะดื่มบ่อยๆติดเป็นโรคติดโรคสุราแล้วก็ถึงเวลาตื่นเช้าก็ไปทำงานไม่ไหวขาดงานบ่อยๆเขาก็ไล่ออกแล้วเวลาเมาก็อรารวาส บางทีพวกที่อยากจะไปทำบาปก็มักจะกินเหล่าย้อมใจก่อนเพื่อใจมันจะได้ด้านมันจะได้ไม่มีฮีเรโอตาปะามันก็เลยทำให้การทำบาปง่ายท่านถึงห้ามไม่ให้ดื่มสุลาเพราะจะส่งเสริมการทำบาปแต่ถ้าดืา่มสุล า, า, าแล้วนอนหลับไปก็ไม่ได้ทำบาปเลยนี่คือ บาปเพราะทำแล้วมันจะทําความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็ทําความทุกข์ให้กับผู้กระทําแล้วก็มีผลเนี่ยใจก็จะทุกข์นอนหลับก็จะฝันร้ายเวลาไม่มีร่างกายก็ฝันยาวอาจริงเวลาไม่มีร่างกายเราก็ฝันนี่นอกจากไปมีร่างกายของเดรัจฉานก็เหมือนกับตื่นขึ้นมาแต่ไปตื่นแล้วมีร่างกายของเดรัจฉาน ถ้าไม่มีร่างกายของเดรัจฉานก็จะฝันว่าหิวอยากได้กินเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอหิวโหยตลอดเวลาต้องมาขอส่วนบุญถึงจะอิ่มบุญนี่แหละที่จะทําให้ใจอิ่มแต่ความโลภนี่ไม่ได้ทําให้ใจอิ่มยิ่งโลภยิ่งหิวใหญ่มันจะความหิวความอยากมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นกินจานเดียวก็อิ่ม ออกไปสองจานก็ไม่อิ่มสามจานก็ไม่อิ่มมันต้องกินเพิ่มไ่เรื่อยๆท่านถึงวาดภาพเป็ดว่าเป็นเหมือนสัตว์ที่มีปากเท่าดูเข็มท้องเท่าตุ่มเิ่กินเข้าไปกินได้ทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกินได้ทีละเล็กทีละน้อยกินเท่าไปเท่าไหรก็ไม่สามารถทําให้มันเต็มตุ่มเต็มท้องได้ก็เลยกินเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่ม อันนี้ก็เหมือนความโลภมันจะทําให้เรากินเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอสมัยเด็กๆได้มาร้อยก็ดีใจมาพอโตขึ้นมาหน่อยต้องห้าร้อยอย่างนี้ห้าร้อยพอไม่พ อ, องเงินเดือนเดือนหนึ่งต้งเท่าไหร่นะอย่างน้อยค่าแรงขั้นต่ําก็เก้าพันแล้ววันละสามร้อยสมัยเราเด็กๆนี่ข้าแรงขั้นต่ำยี่สิบบาท เดือนละหกร้อยจับกัง น, นี่เขาทำงานวันละยี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวชาบะสองบาทนี่คือเรื่องของใจที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องของใจอย่างละเอียดก่อนสมัยพระพุทธเจ้าตัดสรลิก็มีพวกรู้บ้างแต่รู้ไม่มากรู้เรื่องบุญเรื่องบาง รู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่รู้สาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากอะไรมีพระพุทธเจ้าท่านั้นที่สามารถค้นพบว่าเกิดจากกิเลสตัณหาแล้วก็รู้จากวิธีกำจัดมันด้วยวิธีกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้เป็นความรู้เฉพาะของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นความรู้นี้แล้วมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราจะไม่มีวันรู้ถึงแม้เราจะพยายามหาวิธีไม่กลับมาเกิดเราก็จะหาไม่เจอเราต้องรอให้มีพระพุทธเจ้านอกจากว่าเรามีความสามารถที่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองเราก็จะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองอย่างพระพุทธเจ้านี้ถ้ามีความสามารถ ที่ค้นหาคำตอบได้ว่าอะไรทำให้มาเวียนว่ายตายเกิดและอะไรจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือปัญญานี่ปัญญาก็คือการรู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุพอรู้ต้นเหตุก็หยุดมันเสียพอไม่ทำตามต้นเหตุ น, นั้นเหมือนเรารู้ว่าไฟนี้มันดับได้ยังไงเราพอ รู้ว่ามันดับด้วยสวิทช์เราก็ไปหาไปที่สวิช์ไฟเวลาเรายากอยา ก, อยากจะปิดไฟถ้าเราไปอยู่ในที่เราไม่เคยไปเราอยากจะปิดไฟเราก็ต้องหาสวิทช์เรารู้ว่าไฟมันติดได้เพราะมีสวิทช์ถ้าไม่รู้สวิทช์อยู่ที่ไหนก็ดับไม่ได้ปิดมันไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าต้นเหตุของการมาเกิดของพวกเราเกิดจากความอยากสามประการ คือการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราก็จะไม่ไปหยุดมันแล้วยิ่งมีความหลงมาทำให้เราเห็นว่ามันเป็นความสุขสี่อีกเห็นว่าการทำตามความอยากนี้ทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นการส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงไม่มีวันหยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกพวกเราว่าไอ้ตัวนี้แหละตัวที่คิดว่าทำให้พวกคุณสุขกันนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้คุณต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายทุกข์กับการทำบาปต่างๆอย่าพวกเราจึงเป็นหนี้พระพุทธเจ้าอย่างมหาศาลเพราะว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้านี้ ถ้าเปลี่ยนเป็นเงินก็เงินเป็นแสนล้านหมื่นล้านแสนล้านที่พระพุทธเจ้าไม่เอาคืนยกให้เราฟรีๆให้ให้เงินแสนล้านพวกเราฟรีๆให้นิพพานกับพวกเราเพราะนิพพานนี้มันมีแต่ความสุขอย่างเดียวเป็นเศรษฐีแสนล้านก็ยังมีความทุกข์อยู่เวลาแก่เงินแสนล้านก็ดับความทุกข์ไว้แล้ว เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเงินแสนล้านก็ดับความทุกข์ไม่ได้เวลาตายก็ดับไม่ได้แล้วก็ดับการกลับมาเกิดใหม่ไม่ได้แต่นิพพานนี้ดับได้หมดพระพุทธเจ้าให้เราให้เงินพวกเราคนละแสนล้านกันแต่พวกเราไม่ยินดีที่จะรับกันเพราะจ ะ, จะรับนี้ต้องไปรับที่วัดต้องไปอยู่วัดต้องไปบวช ใช่คนที่ไปคนที่ไปรับเงินแสนล้านนี้ส่วนใหญ่เป็นนักบวชทั้งนั้นพระสาวกทั้งหลายนี้เป็นนักบวชทั้งนั้นพระสดาพระสารีบุตรพระโมคคัลลาอมโคลีมานพระอะไรต่างๆที่เราได้ยินชื่อเสียงของท่านนี้ท่านต้องไปบวชทั้งนั้นท่านถึงจะได้รับของขวัญของพระพุทธเจ้านานๆก็มีพวกที่ได้รับก่อนบวช แต่พอได้รับแล้วก็ขอบวตคนที่บรรลุถึงนิพพานก่อนที่จะได้บวตพอได้ได้ถึงนิพพานแล้วก็ขอบวตกันเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมในโลกนี้อยู่แบบค า, ารวะมันมอยู่ก็ไม่ได้ทาแบบค า, ารวะอยู่กับเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับ อ, อยู่ในสมาคมเขาเล่นไพยกันแต่เราเลิกเล่นภพยแล้วเราก็อยู่กับเขาไม่ได้ใช่ไหม สมาคมกินเหล้าเราไม่กินเหล้าแล้วเราก็ไม่ไปอยู่กับเขาสมาคมตีกอล์ฟอย่างี้ถ้าเราไม่ตีกอล์ฟเราก็ไม่ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกคนที่บรรลุถึงวันนิพพานแล้วก็ไม่ทำกิจกรรมเหมือนคารวาดทำกันไม่มีลูกมีเมียไม่มีสามีไม่หาเงินหาทองไม่เที่ยวไม่กินไม่เล่นไม่ดื่มอะไรต่างๆก็อยู่กับเขาไม่ได้ ก็ขอบวชกันนะั้นไปอยู่กับพวกเดียวกันนะพวกที่ไม่กินไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่เล่นคือพวกพระอริยสงสาวกทั้งหลายอาันนี้ก็เรื่องของธรรมการฟังธรรมมันต้องมีที่สงบนี้มันถึงพูดแล้วมันไม่มีมันไม่ติดขัดแล้วเกิดมีเสียงคนพูดมีเสียงคุณทําอะไรมันติดขัดเนีย คนฟังก็เหมือนกันถ้าไม่นั่งฟังมัวไปทำนู่นทำนี่มันก็ฟังได้บ้างไม่ได้ฟังบ้างเวลาทำอะไรก็ใจก็ต้องอยู่กับงานที่กาลังทาอยู่เสียงที่ได้ยินก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปฟังแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนักแต่ก็ยังดีกว่าฟังเพลงถ้าต้องเลือกระหว่างฟังเพลงหรือฟังข่าวสารการเมืองต่างๆฟังธรรมะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากเต็มร้อย ก็ยังได้บางส่วนช่วงเวลาที่ได้ฟังจริงๆเวลาที่ไม่ต้องทาอะไรก็ยังจะได้ฟังบ้างแต่มันจะฟังแล้วอาจจะไม่ต่อเนื่องแล้วมันจะไม่เข้าใจมันดูหนังไม่ต่อต่อเนื่องเลยไม่เข้าใจว่าทำไมคนนี้ถึงมาทำอะไรกับคนนี้พอเราไม่ได้ดูตอนต้นว่าไอคนนี้มันไปทำเขามาก่อนไอคนนี้เลยต้องกลับมาทามันเราก็จะไม่รู้ การฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นพ อ, อมาฟังตอนนี้มันก็อาจจะไม่เข้าใจว่ากำาลังพูดถึงเรื่องอะไรกันวันนี้ก็พูดถึงเรื่องที่เราไม่รู้กันทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังกันหรือถ้าได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้มาฟังซ้ำอีกได้รับการอธิบายขยายความเพิ่มขึ้นอีกอก็จะเกิดความเข้าใจดีมากขึ้นไปจนอาจจะสามารถ การจัดความสงสัยในเรื่องของธรรมเหล่านี้ได้เช่นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงหรือสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้หรือถ้าตั้งใจฟังถ้าถ้าเราจับตัวตัวสำคัญได้คือตัวใจได้แล้วเราทุกทุกอย่างยากก็ลงตัวหมดคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ อยู่ที่การที่เราเข้าถึงตัวใจตัวจิตตัวนี้ตัวเดียวถ้าเราเข้าถึงตัวนี้รู้ว่าตัวนี้มีอยู่เท่านั้นแลเราก็จะหายสงสัยแต่ถ้าเรายังไม่เข้าถึงตัวใจยังไม่เห็นว่ามีใจอยู่ยังคิดยังมีแค่ร่างกายอยู่คำสอนต่างๆพระเจ้านี้ก็จะไม่ไม่สามารถทำให้เราเชื่อสิ่งต่างๆที่ท่านสอนได้หรือกำจัดความสงสัยให้หมดไปได้ แต่ถ้าเราเข้าใจถึงคาว่าใจว่ามันเป็นเป็นตัวที่เรามองไม่เห็นกันแต่เป็นตัวที่ทำบุญทำบาปนี่วละเป็นตัวที่ไปรับผลบุญผลบาปตัวที่ไปเวียนว่ายตายเกิดและตัวที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัวใจนี่แหละใจต้องหยุดหยุดด้วยการรู้ว่าการทาการมีความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้ไปเกิดกัน พอรู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เราไปเกิดเหมือนถ้าเรารู้ว่าตัวนี้ทําให้เรายากจนอะไรที่ทําให้เรายากจนก็คือขี้เกียจเนี่ยถ้าเรารู้ว่าตัวนี้มันทําให้เรายากจนเราก็ฆ่ามันเลยฆ่าความที่เกียจล้วก็มีแต่ความขยนันขยันเรียนหนังสือขยันทํางานขยันเก็บเงินเดี๋ยวก็รวยได้นี่ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่า การเราต้องมาเกิดร้อนการที่เราต้องทุกอยู่เรื่อยๆการที่เราต้องไปทําบาปก็เพราะความอยากนี่แหละเราก็หยุดมันสิอยากสูบบุหรี่ก็ไม่สูบมันอยากดื่มโซลาก็ไม่ดื่มมันทำไมคนนื่นเขาเขาไม่สูบบุหรี่เขาไม่เดือดร้อนนะคนที่ไม่สูกบุหรี่เขาก็หยุดได้เขาก็ไม่สูบบุหรี่ได้แล้วเราทํำไมทําไม่ได้เด็กมันตัวเล้กว่าเรามันยังเก่งกว่าเรามันไม่สูบบุหรี่ได้แต่เรายังต้องสูบบุหรี่ เรายังต้นงดืมกาแฟเด็กมันดื่ดื่มนมนะมันไม่ต้องดื่มกาแฟเด็กมันเก่งกว่าเราอีกใช่ไหมถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็คิดว่าไม่เห็นไม่ยากตรงไหนเลยไม่องความอยากก็ไม่ทํามันเท่านั้นเองเด็กมันไม่ทําอะไรเหมือนเราทำมันมันอยู่ได้เด็กมันไม่ไปเที่ยวมันก็อยู่ได้ตอนเป็นเด็กม yes ันมานอนสอนง่ายทุกอย่างถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าการ สู้กับความอยากนี้มันไม่ยากเย็นเลยก็เด็กมันยังสู้มันยังสู้ได้เด็กมันยังไม่ทําตามความอยากได้อย่างมากมันก็ร้องไห้หน่อยร้องไห้แล้วจบอยากจะได้อะไรพอไม่ได้มันก็ร้องไห้พอมันเหนื่อยมันก็หยุดร้องไห้แต่ว่ามันไม่มันไม่รู้ว่าการความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้มันต้องร้องไห้คราวหน้ามันมีมีโอกาสอยากมันก็อยากอีก แต่ถ้ามันรู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้มันร้องไห้มันอาจจะคราวหน้ามันมีโอกาสจะอยากมันก็ไม่อยากดีกว่าอย่างเราต้องรู้นี่คือปัญญาต้องรู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงต้องต้นเหตุของการทำบาปต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรารู้อย่างนี้พอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็หยุดมันหยุดมัน ถ้าเรามีกำลังไม่พอก็ต้องสร้างกำลังขึ้นมาด้วยสติอาบริกรรมพุทโธพุทโธมากๆบ่อยๆจนนั่งสมาธิจนกรวนั่งหยุดใจได้ถ้าหยุดใจให้นิ่งได้ความอยากมันก็หยุดตามแต่พอเราหยุดใจเป็นต่อไปเวลาเกิดความอยากเรารู้ว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์เราก็ไม่ทำตามมันเราก็จะหยุดมันได้เราต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากอีกต่อไป พอไม่มีความอยากใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาได้รับรางวัลที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเราท่านจะไม่เอาคืนถ้าเป็นเงินก็ให้ฟรีไม่ไม่มีดอกไม่มีไม่เรียกคืนให้เปล่าๆแต่ต้องไปเอาต้องไปบวชถึงจะเอาได้แล้วนะนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ ก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาและไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาครังเอวาเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปัปติ อิิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะ อะพิวาทนานสีฤทธะนิจังวุฒาปจายิโนจตารุธมรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาังมีคำถามอะไรอไหมวันนี้เข้ามาเท่าไหร่เมืองถามวันนี้ YouTube 103ค่ะ Facebook 358วิทยุมีเจ็ดค่ะ มีคำถามยเปมีต่างชาติหัหยไม่มีภาษาไทยเลยเหลือประมาณยี่สิบนาทีคำ ถ, ถามจากคุณวรพันธ์ผมมีปัญหาคาใจครับการที่เราตั้งใจจะทำงานเป็นอาสาสมัครแต่เราได้เงินค่าจ้างทำงานมาถือว่าผิดไหมครับเราควรรับเงินไหมครับแล้วถ้านำเงินมาส่วนนั้นจะไปทำบุญได้ไหมครับได้ถ้าเราต้องการทาบุญเวลาเขาให้เราก็คืนเขาไปก็ได้ แต่ถ้าเขาบอกเขารับคืนไม่ได้เพราะเ้าต้องจ่ายให้เราเราจะเอาไปทำบุญที่อื่นแทนก็ได้เพราะเป้าหมายของเราคือเราต้องการบุญเราไม่ต้องการเงินทองงั้นถ้าเราไปทำแล้วบางทีที่เราไปเป็นอาสาสมัครเขามีนโยบายว่าจะต้องให้เงินผู้ที่มาช่วยเหลือเราก็รับไว้ก็ได้หรือถ้าขอบอยจากคืนเขาไปก็ได้ถ้าเขารับบอยจากก็คืนเขาไปไม่ไม่เสียหายตรงไห น, น ถ้าเรารับก็เพียงแต่ว่าเราไม่ได้บุญเท่านั้นเองพราะว่าเป็นการเหมือนเป็นการรับเป็นค่าจ้างไปหรืออาจจะได้บุญบางส่วนเพราะค่าจ้างอาจจะไม่ได้เต็มเต็มที่เพราะเขาอาจจะเกรงใจเราสงสารเรากลัวว่าถ้าเอาไม่ให้เราเราเลยเดี๋ยวเรามีค่าใช้จ่ายจะมีค่าน้ํามันมีอะไรเดี๋ยวเขาน่าจะมาช่วยเขาไม่ได้เขาก็เลยช่วยเหลือเรากลับเนี่ยแต่ถ้าเราบอกเขาว่าเราไม่เดือดรอ้เราไม่ เราอยากจะขอขอบริจากเงินนี้ให้กับองค์กรนั้นต่อกลับไปเขาก็รับได้คาถามจากคุณธานาสินโดยปกติภรรยาของผมมีปัญหาเรื่องความจำและระบบสมองแต่ช่วงหลังๆมาเธอได้ปฏิบัติถือเนสัญชิกในวันพระทำได้ดีใจสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่พอวันลุ่มขึ้นเรื่องของสติลวนไปหมดเลยเป็นเช่นนี้ประมาณสามถึงสี่ครั้งแล้ว ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําด้วยครับว่าควรจะถือในสัตชิกต่อไปหรือไม่คือในสัตชิกนี้มันเป็นมันได้เป็นตัวที่สําคัญมันเป็นตัวสนับสนุนตัวที่สําคัญก็คือตัวสติที่ในสัตชิกก็คือต้องการให้นอนให้น้อยเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติให้มากเท่านั้นเองถ้าเราไม่ถือในสติกนสัตชิกนี้คือไม่ทราบว่าเข้าใจาความหมายตรงกันหรือเปล่า ในสัติก็คือการถือสามวิริยบทเดินยืนกันนั่งไม่นอนเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลากับการนอนถ้าจะหลับก็ให้หลับอยู่ในท่านั่งมันก็จะหลับไม่นานอาจจะแค่ชั่วโมงมันก็จะตื่นแล้วก็จะได้เวลามาเจริญสติต่อถ้าสติมีการเจริญอย่างต่อเ น, นื่องมันก็จะสติดีพอเราเลือกในสัติ์ทเราก็อาจจะไม่ได้เจริญสติเท่าที่ควร มันก็เลยรวนขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นม า, างนั้นถ้าเราคิดว่าการถือเนสัตชิกทำให้เรามีสติดีเราอยากจะมีสติดีเราก็ต้องถือเนสัตชิกต่อไปถ้าเราเห็นว่าพอเราไม่ถือเนสัตชิกปั๊บเรามานอนแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาก็สติสตังไม่มีอย่างนี้ก็ถ้าเราอยากจะได้สติเกิดมาเราก็ต้องมาถือเนสัตชิกกัน คำถามจากคุณบีบการทำหมันคนทำหมันสัตว์บาปไหมครับไม่บาปหรอกไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ไปพูดผิดไประเวณีไม่ได้พูดปดเนี่ยคำ <ะ S 1> ถามจากคุณครูจอ๊อบถ้านั่งแล้วปวดขาจะมีวิธีคิดอย่างไรให้อดทนและไม่ต้องขยับครับก็ให้ดูมันอย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธ เมเวลาเราดูหนังบางทีปวดฉี่แล้วยังไม่สนใจเราดูหนังต่อไปได้เราให้หนังจบแล้วค่อยไปฉี่เองได้อหรือนั่งเล่นไพ่บางทีนั่งแล้วปวดฉี่ก็ไม่ยอมลุกเพราะมันมีอะไรให้มันทํามันก็เลยไม่มาทุกข์กับไอ้ความปวดฉี่อันนี้ก็เหมือนกันเวลาถ้ามันนั่งแล้วมันปวดขาถ้าเรามีอะไรให้มันทําเช่นมีพุทโธให้มันบริกรรมอยู่หรือให้มันสวดมนต์ไปให้มันติดอยู่กับการสวดมนต์มันก็จะลืมเรื่อง ความเจ็บได้แล้วความเจ็ดก็จะไม่มาลบโกนใจคําถามจากคุณวันิดาหากเพื่อนใน facebook ไปทําบุญในสถานที่ตา่างๆแล้วฝากบุญผ่านทางเฟซมาหากผู้ใดสาธุในบุญนั้นจะได้บุญหรือไม่คะไม่ได้บุญที่เขาทำหรอกแต่ได้บุญที่สาธุคือมีความยินดีมีความสุขกับการทําบุญของผู้อื่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้บุญจากที่ก็เขาเอาเงินของเขาไปบริจาคถ้าเราอยากจะได้บุญแบบนั้นเราก็ต้องฝากเงินไปให้เขาส่งเงินไปให้เขาขอร่วมบุญด้ว ย, เ, ยเราถึงจะได้บุญแบบนั้นบุญที่เราได้ก็เพียงแต่ว่าเราสาธุเราก็มีความสุขเห็นเขาทําบุญแล้วเราก็ไม่อิจฉาเขาอย่างนี้หรือไม่ไปเห็นว่าเขาโง่หรือเขาถูกหลอกยอย่างนั้นเราก็จะไม่ได้บุญคําถามจากคุณธนรงค์ เวลาสวดมนต์กายใจไหวง่ายกว่าปกติทําไหมครับไหวไหวง่ายเป็นยังไงไหวเขาเขียนยังไงไหวไม่เมลไยเฮ า, <ห>าวอลนะเคลื่อนไหวเลยมันไม่น่าจะไหวนะสวดมนต์มันน่าจะดีกว่าไม่สวดเวลาสวดถ้ามันไหวก็แสดงว่าใจมันไม่มีสตินะสวดไปก็คิดไปมันก็ไหวได้คํถาถามจากคุณแอนนี่ ตามที่พระอาจารย์กล่าวหมายความว่าถ้าสติยังไม่แข็งแรงก็ต้องผ่านเวทนาด้วยคำบริกรรมก่อนจนกว่าสมาธิแข็งแล้วจึงผ่านเวทนาด้วยปัญญาโยมเข้าใจผิดไหมคะถูถรับเาะฉนั้นโยมต้องอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอเมื่อเกิดเวทนาแล้วสมาธิต้องแข็งแรงถึงระดับไหนถึงจะใช้พิจารณาเวทนาด้วยปัญญาได้คะก็มีโอเบคราทนอยู่กับ <c oughs> ความเจ็บได้ พอมีอุเบกขาทนอยู่กับมันได้ก็พิจารณาหาดูสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดอยู่ที่ไหนกันนะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจใครเป็นตัวทำให้ใจทุกข์ก็จะเห็นว่าตันหาความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปก็หยุดความอยากให้มันหายไปปล่อยให้มันอยู่ไปความเจ็บจะหายไม่หายก็ช่างหัวมันใจก็จะไม่ทุกข์กับมันก็จะเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากให้ความเจ็บมาใหไปแต่พอใช้ปัญญาคือมรรคเห็นว่าความเจ็บเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้มันจะมาก็ต้องมามันจะไปก็ต้องไปเราก็ปล่อยมันปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันไม่มีความอยากให้มันมาหรือไม่มีความอยากให้มันหายพอไม่มีความอยากทุกข์ใจก็ดับไปก็จะเห็นอริยสัจ ส, สี่มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ย อริยสัจสีมีสองแบบอริยสัจสีที่เราได้ยินเมื่อได้อ่านในหนังสือนี่คนละตัวกับตัวที่เราเห็นในขณะที่มันเกิดขึ้นในใจของเราอริยสัจสีในใจของเรามันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเวลาทุกปั๊บนี่เกิดขึ้นมาแล้วอริยสัจสีแล้วไม่เห็นไม่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอริยสัจสีแล้วก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุก็คือความอยากพอทุกปั๊บก็ไปทาตามความอยากทันที จากคุณพีม์หนูอายุ8ขวบเวลาหนูนอนตอนกลางคืนหนูยังนอนไม่ค่อยหลับแม่เลยให้ตรวจบทอิติโต๊ส50รอบแล้วยังนอนไม่หลับเป็นเพราะอะไรคะหนูคิดมากนะหนูคิดมากหนูวิตกกังวลหัดอย่าไปวิตกกังวลก็พุดโธพูดโธไปก็ได้เวลาก่อนจะนอนก็พูดโธไปดูลมไปอย่าปล่อยให้คิดถ้าปล่อยให้คิดแล้วมันจะนอนไม่หลับ ถามจากคุณแพลณพาโดนด่าแรงๆทํำยังไงไม่ให้ทุกข์ใจคะก็อย่าไปสนใจคิดว่าเสียงด่าเป็นเป็นเหมือนเสียงฝนตกเราห้ามมันไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้ฝนมันจะตกแรงขนาดไหนเราก็ไปห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ทุกข์กับมันพอ่ออะไรเพราะเราไม่ไปไปอยากให้มันหยุดหรือไม่ต้องการฟังมันแต่พอเราได้ยินเสียงด่า มันก็ทุกขึ้นมาทันทีเพราะเรามีความอยากไม่ต้องการจะฟังมันดังั้นเราต้องพิจารณาว่าเสียงเสียงความอยากเอ้ยเสียงด่าหรือเสียงฝนมันก็เป็นเสียงเดียวกันคือเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราต้องแต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเราอยู่กับเสียงฝนตกได้เราก็ต้องอยู่กับเสียงคนด่าได้เพราะมันก็เสียงเหมือนกันอยู่ที่ว่าใจเราไปเลือกกับเสียงฝนนี่เราอยู่กับมันได้เพราะเราไม่มีความอยาก แต่พอเสียงคนเรามีความอยากไม่อยากไม่ฟังมันก็เลยทุกขึ้นมาย่งงั้นก็เวลาทุกข์ก็รีบพุโทโธพุโทโธไปก่อนก็แล้วกันแต่ยังใช้ปัญญาสอนใจให้มันหยุดไม่ได้ก็ใช้สติคือพุโทโธพุโทโธไปก่อนมันก็จะบรรเทาทุกข์ได้ก็ด่ายัางไงเราก็จะไม่เสียใจเราจะไม่ไปคิดถึงมันก็ด่าแป๊บเดียววินาทีหนึ่งก็ผ่านไปแล้วแต่บางทีเรามาคิดทั้งวันเนี่ยมามาเหมือนกับเปิดเทปฟังใหม่เรื่อย บอไปคิดถ oh vale. oh oh. oh mm. so, uh. ึงคําด่าเขาก็ทุกคิดถึงคําด่าเขาก็ทุกเขาอยากให้เขาไม่ด่าอย่านอย่าไปคิดถึงคําด่าเขาเขาพูดปั๊บมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วแต่เรายังเอากลับมาฟังอยู่เรื่อยๆเขาด่าคนเดียวแต่เราเอาเอากลับมาด่าตัวเราเองไม่รู้กี่สิบครั้งตัวที่เป็นปัญหาไม่ใช่เขาเขาด่าครั้งเดียวใช่ไหมตัวที่เป็นปัญหาคือเราเรากลับมาด่าตัวเราเองซ้ําแล้วซ้ําอีกมันก็เลยทุกอยู่เรื่อยๆ าจากคุณทมตอนที่ผมนอนมักทำสมาธิไปด้วยจนกว่าสติจะหายไปและหลับไปเองอยากทราบว่าทำดังกล่าวจะได้อะไรไหมครับจะเหมือนกับที่เรานั่งสมาธิห ร, หรือเดินจงกรมโดยเฉพาะไหมครับ อ, อ๋อไม่เหมือนเหรอเพราะว่ามันสติมันจะหมดไปถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธสิสติจะไม่หมดคำถามจากคุณบูน ขายไก่สดที่เขาฆ่าแล้วผมเอามาทําและบาปไหมครับถ้าของที่เขาฆ่าแล้วเราไปซื้อมานีไม่บาแต่ถ้าเราไปสั่งล่วงหน้านี้ก่อนบาปเช่นว่าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวนี้พอเราไปสั่งให้เขาฆ่าแต่ถ้าเราไปวันนี้แล้วก็ไปดูว่าเขามีไก่ที่ฆ่าแล้วหรือเปล่าถ้ามีเราซื้อมาอย่างนี้ไม่บาเพราะเราไม่ได้สั่งเขาหมดแล้วเลย เดี๋ยวรอเดี๋ยวก็ได้เองมีเวลานิดเดี๋ยวก็เข้ามาเองค่าเขาสั่งเขาก็ดีทําเองก็ดีบาบเป็นบาปเหมือนกันทําเองก็คือฆ่าไก่เองอสั่งเข้าฆ่าก็บาปเหมือนกันพวกที่ไปกินร้านอาหารที่มีปลาเป็นอยู่เนี่ยปลาอยู่ในน้ําอยู่ในถังแล้วก็ชี้เอาตัวนี้นะเนี่ยตัวเองไม่ได้ฆ่าแต่สั่งเขาฆ่าก็บาปเหมือนกันแต่ถ้ามันตายแล้วมัน มันนอนตายอยู่แช่แข็งถ้าอยู่ในตู้เย็นหรือว่าอยู่ในตู้ที่เ้าโชว์แต่มันเป็นปลาตายแล้วอย่างนี้สั่งมากินไม่บาปพอมันไม่ได้ไปทํมาให้มันตายมันตายแล้วของมันตายแล้วจะกินไม่กินมันมันก็ตายแล้วอ่ะคนบางคนว่ากินกินเนื้อสัตว์แล้วบาปมันไม่บาปหรอกอยู่ที่ว่าฆ่าหรือไม่ฆ่ากันนะหรือสั่งเขาให้ฆ่าหรือไม่ฆ่าต่างหากเนื้อสัตว์นี้พอมันตายมันก็เหมือนผักแล้ว มันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเหมือนกันผักก็ที่เราถอนออกมาก็มันก็ตายแลนะใช่ไหมผักมันก็มันมันก็มาจากดินน้ําลมไฟปลามันก็มาจากดินน้ําลมไฟมันเป็นธาตุเอามาเติมธาตุร่างกายก็เป็นดินน้ําลมไฟถ้าการเป็นการเติมธาตุโดยที่ไม่ได้ไปทําให้สิ่งที่มีชีวิตตายนี่นก็ไม่บาปแล้วตอนมานี่ ตัดมันก็ไม่บาปถอนมันก็ไม่บาปเพราะมันไม่มีมันไม่มีจิตไม่มีตัวรู้ตัวที่จะทุกข์มันไม่มีมาเี้มีข้ามาเงี้ยงัพอดีช่วงนี้ช่วงเทศกาลกินเจก็เลยเออเนี่ยมาพูดกันหน่อยบางคนคิดว่ากินเจแล้วได้บุญกินเจคนที่กินเจได้บุญคือคนชนิดไหนคือคนปกติฆ่าสัตว์เอาเนื้อสัตว์มากินเองเนี่ยพอก็ เขาหยุดหยุดกินเนื้อสัตว์เขาก็หยุดฆ่าเขาก็ได้บุญเพราะเขาได้รักษาศินข้อปานาติปาตาเขาช่วงกินเจเขาไม่ได้ฆ่าแต่พอเขาเลิกินเจปั๊บเขากลับไปฆ่าใหม่ไปกินใหม่เขาก็บาปต่อนี่คือได้บุญสำหรับคนที่ฆ่าเพื่อเอามาเป็นอาหารแล้วหยุดฆ่าในช่วงกินเจ โดยเปลี่ยนไปกินผักกินอะไรแทนเขาถือว่าเขาได้หยุดทําบาปชั่วคราวสิบวันการไม่ทําบาปก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอย่างเรียกว่าได้บุญแต่ถ้าคนปกติไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าสัตว์เพื่อเอามากินไปซื้อของตายมากินไปซื้อของตายที่ขายในตลาดมากินจะกินเจไม่กินเจมันก็ไม่ต่างกันเพราะเขาก็ไม่ได้ฆ่าอยู่ดีเขาไม่ได้ทําบาปเขาก็ได้บุญอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับกินเจเพราะถ้าเราไปคิดว่าการกินเจกินผักแล้วได้บุญเนี่ยพวกวัวควายมันก็ต้องได้บุญกับพวกเราเนี่ยวัวควายมันก็กินแต่ผักใช่ไหมแต่มันไม่ได้บุญหรอกกินผักหีือไม่กินผักกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วก็กินผักเหมือนกันบาปบุญอยู่ที่ฆ่าหรือไม่ฆ่าสั่งให้เขาฆ่าหรือไม่สั่งให้เขาไม่ฆ่า ถือถือศีลกินถือถ้ากินเจแต่ไม่ถือศีลก็บาปใช่กินเจแล้วเดี๋ยวยุงเข้ามากัดก็ตกันเลยเยอะมดขึ้นบ้านก็ฉีดยาเลยอย่างนี้ก็ยังบาปอยู่กินเจมันไม่เกี่ยวกันล่ะการกินเจการกินอะไรนี้ไม่ไม่ได้เป็นตัวบุญหรือตัวบาปตัวบุญหรือตัวบาปอยู่ที่การฆ่าหรือไม่ฆ่ามีไหม ถาจาคุณคูณธรรมธาต์คืออะไรคะธรรมธาต์เนี่ยก็ธรรมธาต์ก็คือใจที่เป็นธรรมล้วนๆก็เรียกว่าธรรมธาต์เนี่ยใจที่เป็นนิพพานเนี่ยมีแต่ธรรมเต็มอยู่หัวใจก็เราก็เลยเรียกใจที่บริสุทธิ์ใจนิพพานนี้ว่าเป็นธรรมธาต์เลใจที่มีแต่ธรรมะอยู่ในใจคือศีลสมาธิปัญญา ถามจากคุณสุขขวงเวลาบริกรรมพุทธโทต้องเพ่งกับคําบริกรรมไหมครับก็ต้องอยู่กับคำบริกรรมแต่ไม่ต้องไปอยู่กับลมให้อยู่กับคําบริกรรคำถามจากคุณไอานาทําให้คนอื่นเสียใจหรือเสียความรู้สึกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นบาปไหมเจ้าคะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไปทําให้เขาเสียหาย <c oughs> ไม่ได้ไปลักทรัพย์ของเขาไม่ได้ไปไป ป, ปินชูกับสามีภรรยาเขา เพียงแต่ว่าเราทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบแล้วก็ไม่สบายใจนี้ไม่บาปใช่เราเราเราชอบร้องเพลงแล้วเขาไม่ชอบเพราเห็นเราร้องเพลงแล้วเขาก็ไม่สบายใจอย่างนี้ไม่บาปแต่ถ้าเราไปเป็นชู้กับสามีภรรยาเขาเนี่ยบาปแล้วเขาไม่สบายใจเนยบาปหรือเราไปขโมยเงินของเขาแล้วทาให้เขาไม่สบายใจบาป บ, บาปมันอยู่ที่สินสี่ข้อนี้สี่ห้าข้อนี้คือ แต่ถ้ายัางน้องเหนือจากสีหข้อนี้ไม่บาปหรอกเรามาบวชเขาไม่สบายใจมันมันบาปไหมเรามาทําบุญนะเรามาบวชใช่ไหมแต่เขาไม่สบายใจเขากลัวเราจะทิ้งเขาเราสี่จะมาบวชเนี่ยใช่ไหมมาวัดบ่อยๆเขาเริ่มคิดอะไรเขาจะเขาจะหยากับเราเลิกกับเราหรือเปล่ากันเลยไม่สบายใจขึ้นมาไม่สบายใจแบบนี้ไม่บาปหรอกเพราะมันเป็นกิเลส ข, ของเขา ชัยยงบวชเพื่อในหลวงบวชเพื่อช่วยงานวัดเสร็จแล้วแต่ไม่ได้หวังพระอรหันต์จะเป็นนี่ศาสนาไหมครับ อ, อ๋อไม่เป็นเหรอก็ได้มาศึกษาได้มาได้มาสัมผัสได้มาชิมรสของธรรมเท่านั้นเองยังไม่ได้กินทั้งหม้อกินแค่กินแค่ช้อนสองช้อนแล้วก็กลับไปไปกินอย่างไปกินทรายกินกินกวดแทนคำถามจากคุณมีศัก ทุกวันครับผมจะไหว้พระพุธและถวายดอกไม้พวงมาลายัยต้มผลไม้ต่างๆเสร็จแล้วไหว้เจ้าที่ในบ้านต่อแต่มีการถวายเล่าโดยทำตามคนแก่แบบนี้จะสมควรหรือไม่ครับ <c oughs> คือไม่ต้องถวายทั้งหมดเลยเนะี่ยมันไม่เป็นประโยชน์อะไร <c oughs> <g bridge> การไหว้แบบนี้เป็นเรียกว่าเป็นอมิสบูชาเป็นการแสดงความเคารพเท่า น, นั้นเองแต่ การบูชาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราจริงๆคือการปฏิบัติบูชาคือทาทำตัวเราให้เป็นคนดีมีศีลมีสัตว์อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาอย่าเอาเวลาเอาเงินทองมาเสียเวลากับการซื้อของต่างๆมาเส้นมาไหว้เลยเคาลบถ้าเราเคารพเราก็กราบก็พอเห็นพระพุทธรูปเห็นเห็นเจ้า รูปของเจ้าก็กราบไปสแสดงความเคารพเจ้าก็เป็นพวกเทพนี่เองเราก็สแสดงความเคารพถ้าเราอยากจะบูชาตามที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการให้เราเป็นคนดีกันงั้นเราทำตัวเป็นคนดีอันนี้จะดีกว่าได้ประโยชน์มากกว่าได้ได้เป็นไปตามเจตนาของพระพุทธเจ้าที่สอนธรรมะให้กับพวกเราท่านต้องการให้เราทำความดีเพราะความความดีจะทาให้เรา เป็นสุขทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไอีข้อหนึ่งนะหมดแล้ยังคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูมีหน้าที่ทํางานบ้านสามีเป็นคนหาเงินคนเดียวถ้าใช้เงินที่สามีหามาไปทําบุญหนูจะได้บุญไหมคะถ้าเป็นเงินของเราของสามีก็ได้ทั้งคู่ถ้าถ้าเป็นเงินส่วนรวมแล้วมีความยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายเราก็ได้บุญเขาก็ได้บุญ หมดนั้วนะไอะ้ข้อไหนอะข้อสุดท้ายคำ ถ, ถามจากคุณธัญรัตน์ได้ไปตักบาตรพระแต่ทําปลารมัดถวายพระได้บุญไหมคะก็ได้เหมือนกันอตักบาตรก็เป็นอาหารปลารมัดก็เป็นยาเอก็ใช้ได้เหมือนกัน น, นี่ก็ปลารมัดในญาติโยมเอาเนยกวนมาถวายเลย <laughs> แต่ยาของพระฟังกินว่าไม่ได้เป็นยามันยาแก้ปอบมากกว่าไม่ได้เจ็บค่ายได้ป่วยตรงไห น, น แ, แก้แก้แก้ความความอยากทางลิ้นท่านเองเรียกว่าปอบ <c oughs> <c oughs> แต่พอดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอนุญาตคือท่านบางทีมีคนไม่สบายก็ให้กินยามีอยู่ห้าชนิดเรียกว่าเพสัชห้าคือน้ํามัน เนยข้นเนยแข็งน้ำอ้อยคือน้ำตาลแลแล้วก็อะไรน้ำพึ่งเนี่ยเพราะกินแล้วบางทีอาจจะทำให้อาการไม่สบายดีขึ้นแต่สมัยนี้มันไม่ได้กินเพราะมันไม่สบายอกมันกินเพราะมันมันอยากกินมากกว่าแต่พอดีมันอยู่ในวินัยที่อนุญาตให้กินนี่ก็เนยเนยเนยเนยแข็งถือว่าเป็นเนยข้น ในข้นก็เลยกินได้น้ำตาลก็กินได้ก็เลยเอามากวนผสมกันพ่าผสมกันกินมันก็เลยทั้งเค็มทั้งมันทั้งหวานกินกับน้ำชากาแฟแล้ว <c oughs> อะอยาคูบไม่ได้เป็นนมถ้า อ, อะไรที่มีนมอยู่นี่ถือว่าเป็นเป็นอาหารเช่นโอวันตินพวกอะไรพวกนี้มันมีข้าวม้อมีอะไรอยู่ผสมอยู่ก็ไม่ได้นมถั่วเหลืองไม่ได้